ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมข้อขอความหมายของกรรมกรรมแปลตามศัพท์ว่าการงานหรือการกระทาแต่ในทางธรรมต้องจำกัดความเฉพาะลงไปว่าหมายถึงการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทาที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทาที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม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 เป็นตัวการหรือเป็นแกนนำในการเริ่มปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างจึงเป็นตัวแท้ของกรรมดั่งพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ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 ย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมมูประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมหรือดังพุทธพจน์ในอคัญยสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตก็มีพุทธพจน์แสดงกรรมในแง่นี้เช่นว่าครั้งนั้นแหลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันหมายเหตุเชิงอัดคำว่าสัตว์ในภาษาบาลี